ขอน้อมน้อมต่อคุณพระรัตนไตรโครการหลวงพระกลมพระอาจารย์ทองล้วนเพื่อนสถรมิ ท, รม ท, ม ท, ทุกท่านเจริญธรรมแม่ชีรละยาติธรรมทุกท่านในพุทธศาสนานี้มีคำสอนต่างๆมากมายเนาะอาจจะประมาณ8ป0 0 0พันปรมคันแต่ถ้าแยกคำสอนมาให้ดูง่ายแล้วเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นจะได้จับประเด็นได้ง่ายขึ้นเนาะ ก็คือคำสอนของพระเจ้านี้ทั้งหมดก็มารวมอยู่ในสองประเด็นคือให้เห็นความทุกข์และก็การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยเท่านั้นเนาะถ้าเราจับได้แค่นี้ก็จะง่ายขึ้นไม่ง <c oughs> ั้นเราก็จะรู้สึกว่ามันกระจัดกระจายแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงไหนคือการเริ่มต้นตรงไหนคือการสิ้นสุดนะการเริ่มต้นนั่นคือให้เรารู้จักความทุกข์นั่นเอง <c oughs> ความทุกข์นี้ก็มีสองประการคือความทุกข์กายและทุกข์ใจนะ อย่างที่เราได้สวดมนต์ตอนเช้าทำบัรรช้านั่นแหล ะ, ะชาติปีตุขาความเกิดก็เป็นทุกข์ <c oughs> ชาลาปีตุขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณ ะ, ะปีตุขังความตายก็เป็นทุกข์ <c oughs> โสกกระเริเทวทุกขโทมนาะสุปายาสาปีตุขาความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์ ความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ <c oughs> ความพัดภาาจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความปราเถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อประธานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนาะนี่แหละคือความจริงที่พระเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้นะตั้งแต่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะอะไรเพราะว่า <c oughs> สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเหล่านี้มพ้นอยู่แล้วนะ อันนี้ก็คือความทุกข์ในทางกายนั่นเองเมื <c> ่อ <oughs> เราเกิดมาแล้ว <c oughs> เราหนีไม่พ้นนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความที่เราประสบกับสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบใจต่างๆมากมายนะเพราะฉะนั้น <c oughs> ประการแรกนี่เราสามารถเห็นความทุกข์ในตรงนี้ได้ไหมี <c oughs> สมัยก่อนก็เคยชวนคนมาปฏิบัติธรรมให้มาปฏิบัติธรรมเถิดเขาก็ถามว่าจะปฏิบัติธรมไปทําไม แปลว่าไปบัติธรรมแล้วความทุกข์ก็จะน้อยลงนะเขบอกว่าเขาก็ไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยเขาก็มีความสุขดีแล้วนะเขาก็ไม่เพราะฉะนั้นเขาก็จึงไม่มาปฏิบัติธรรมนะอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นว่าความทุกข์ต่างๆเหล่านี้แล้วแหละก็เข้าใจว่าความทุกข์นั่นก็คือความที่พัดผ้าครั้งยิ่งใหญ่นะหรือว่าเป็นสิ่งที่ว่าเป็นความสําคัญอะไรสักอย่างหนึ่ง ในชีวิตนะ่ะที่จะต้องทําให้มีความทุกข์หนักๆ <c oughs> จึงยันมองเห็นนะแต่ความจริงความทุกข์มันก็ปรากฏกับเราตลอดเวลาเราเห็นไหมในตรงเนี้ยใช่ไหมตอนนี้บางท่านก็รู้สึกว่ามันอ <c oughs> มีความปวดเมื่อยนะเราก็นั่งมา ม, ามาครึ่งชั่วโมงแล้ว <c oughs> เห็นความปวดเมื่อย น, นั้นไหม <c oughs> บางท่านก็รู้สึกง่วงนอนนะเห็นความง่วงนอนนั้นไหมนี่แหละคือความทุกข์นะบางท่านก็รู้สึกหิวหิวนะนี่แหละคือความทุกข์ บางท่านก็รู้สึกว่าอากาศมันร้อนหรืออากาศมันเย็นนี่แหละก็คือความทุกข์นะสิ่งเหล่านี้ยเป็นความที่ว่าเราเห็นได้ไหมความทุกข์ในชีวิตประจําวันนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ว่าเราต้องมองให้เห็นนะถ้าไม่งั้นเราก็จะมองผ่านไปเพราะอย่างที่ว่าพระเจ้าก็บอกแล้วว่ามีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่และความทุกข์เท่านั้นที่ดับไป <c oughs> ความทุกข์ในทางกายนี้นะมันมีมีอยู่ประจํามนะก็เรียกว่าทั้งทุกข์ที่อ ประจําสังขารคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายและความทุกข์ที่จรมาต่างๆอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวมาแล้วเช่นความหิวความง่วงความปวดเมื่อยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ความทุกข์เหล่าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดับได้ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเด็ดขาดนะเราเพียงแค่บรรเทาบรรเทาทุกข์เท่านั้นเช่นเรามีความปวดเมื่อยเดินลุกขึ้นไปยืดแข้งยืดขาเดินไปเดินมาแล้วก็หายความปวดเมื่อยแล้ว นะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องกลับมานั่งใหม่เพราะเราเดินนานๆเราก็มีความเมื่อยอยู่ดีนะ <c oughs> หรือหรือ <c oughs> หรือเรามีความหิวนะเราก็ไปรับประทานอาหารมันก็หายหิวนะอ่าแต่สักพักใหญ่ๆล้วก็รู้สึกหิวใหม่ก็ต้องกลับมารับประทานอาหารใหม่นะ <c oughs> สิ่งเราเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นแค่การบรรเทาเท่ า, ทานั้นเองมันไม่ใช่ว่าเราไปแก้ทุกอย่างแท้จริงนะเพราะว่าเขาสามารถที่จะกลับมาได้อยู่บ่อยๆนะความทุกข์ทางกายเราแก้ไม่ได้เลย เราแค่บันเทาทุกเท่านั้นเองส่วนความทุกข์อีกอย่างหนึ่งคือความทุกข์ในทางใจนความทุกข์ในทางใจนี่จริงๆแล้วมีความร้ายแรงกว่าความทุกข์ในทางกายนะเพราะว่าความทุกข์ในทางใจเนี่ยก็เป็นเหตุให้เราสามารถฆ่าตัวตายได้นอย่างที่เราอาจจะเคย <c oughs> พบค่าวบ่อยๆนะอนะแฟนทิ้งนะหรือสามีภรรยาทิ้งนะอกหักต่างๆเหล่านี้ก็ไปฆ่าตัวตายได้นะ <c oughs> หรือน้ำ บางทีอยู่ด้วยกันนะต่อมาก็าเกิด <c oughs> มีมีกิ๊กบ้างมีอะไรบ้างทนไม่ไหวนะก็ไปตามฆ่ากิ๊กต่างๆนะแล้วก็ฆ่าตัวเองตายด้วยนะหรือบางทีก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจต่างๆหนี้สินต่างๆก็ไม่ไหวก็ฆ่าตัวเองตายแล้วก็ฆ่าคนในครอบครัวตายหมดก็มีนะเพราะฉะนั้นในความทุกข์ในทางใจนี่แหละมันเป็นความทุกข์ที่ลึกลับซับซ้อนแล้วแก้ไขยาก นะมันเป็นสิ่งที่ว่าทำให้คนเนี่ยถึงกับความตายได้เลยแต่ความทุกข์ในทางใจที่ว่ารุนแรงในขนาดนั้นนะก็สามารถ <c oughs> จริงๆแล้วสามารถที่จะดับสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างเด็ดขาดนะเพราะว่าความที่ผู้ที่บรรลุเป็นพร ะ, พร ะ, พระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านสามารถแก้ความทุกข์ในทางใจได้อย่างเด็ดขาดนะท่านก็มีความทุกข์ในทางกายไปตามธรรมดานี้แหละแต่ความทุกข์ในทางใจของท่า น, นไม่มีแล้ว <clears throat> เพราะว่าการปฏิบัตธรรมทั้งหมดนะก็คือเราเป็นการแก้ทุกข์ในทางใจโดยตรงนะเรามาดับทุกข์ในทางใจนี่แหละเมื่อเราสามารถดับทุกข์ในทางทางใจนี้ได้แล้วนะความทุกข์ต่างๆก็จะน้อยลงเบาลงแล้วก็ภพชาติเราก็จะสั้นลงสังสารวัต ท, ที่เราเจะไปเวียนว่ายตายเกิดต่างๆก็น้อยลงไปในตัวนั่นนี่คือความแก้ทุกข์่นใจจริงก็คือการที่เรามาดับทุกข์ในทางใจของเรา <c oughs> เพราะฉนั้นในประการแรกนี่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ไหมว่าความทุกข์ในทางกายมีอยู่จริงความทุกข์ในทางใจก็มีอยู่จริงและนี่แหละเราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมกันเพื่อที่จะแก้ทุกข์เพื่อที่จะถึงความดับทุกข์หรือเพื่อจะถึงนิโรธก็คือความดับจากความทุกข์หรือเข้าสู่พระนิพพานนั่นเองเนาะถ้าเราไม่เห็นตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่ตั้งใจทําเราถูกบังคับมาเรารู้สึกว่าเราจะทําไปทําไม แล้มันมันเสียเวลาใช่ไหมเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราได้รู้สึกเออมันจริงๆริงเป็นแบบนี้นะเราต้องแก้ทุกข์ดับทุกข์ให้ได้ไม่เช่นนั้นนะความทุกข์เช่นนี้ก็จะอยู่ในใกล้ในใจเราตลอดกาลนานไม่มีที่สิ้นสุดเนีเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องมาปฏิบัติธรรมกันพอเหตุนี้คราวนี้เนี่ยเมื่อเร า, าได้รู้ว่าเรามาปฏิบัติธรรมทําไม ความเริ่มต้นเป็นอย่างไรความสิ้นสุดของการปฏิบัติเป็นอย่างไรแล้วเราก็มาดูว่าเออวิธีการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรนนี้ก็มีประเด็นใหญ่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานสี่นะทรงทรงแสดงว่าเป็นเอกยานโนมัคโคก็คือหนทางอันเป็นทางเอกอันได้แก่ให้เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนะ ก็เริ่มต้นในการที่เราอ่าตามรู้กายก่อนนะอได้ทรงแสดงถึงอบทใหญ่ทั้งสี่ให้เราตามรู้ว่าออืยืนก็รู้ว่ายืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้วนั่งนอนก็รู้ว่านอนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งว่า <c oughs> ทําไมคนเรานะเอจึงไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้นะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ว่าเราทํำด้วยความเคยชินหรือด้วยความคุ้นเคยมากกว่า นะยกตัวอย่างเช่นเราเดินนี่แหละเรารู้ไม่ว่าขนาดเราเดินหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นความเคยชินนะแม้แต่เรานั่งหรือเรานอนต่างๆเหล่านี้ <c oughs> เราสังเกตได้ไหมว่ามันเป็นความรู้ตัวหรือว่าเราเป็นความเคยชินนะครั้งหนึ่งมีพราหมณ์ได้ถามพระเจ้าว่าท่านมีอะไรเป็นเครื่องอยู่พระเจ้าก็ตอบว่าเรามีการยืนเดินนั่งนอนเป็นเครื่องอยู่ <c oughs> พราหมณ์ก็หัวเราะเยาะบอกว่ า, วาชาวบ้านเขาก็ อ่าเป็นเช่นนั้นเหมือนกันพระเจ้าบอกว่าไม่เหมือนกันต่างกันเรายืนก็รู้เรายืนเราเดินก็รู้เราเดินเรานั่งก็รู้เรานั่งเรานอ น, นก็รู้เรานอนเนาะอันนี้ถ้าเราเห็นตรงนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้นะอ่าเราจะทําด้วยความเคยชินมากกว่าและขณะที่เป็นความเคยชินแล้วก็หลงไปอีกด้วยต่อมาพระเจ้าก็ได้ทรงให้เรารู้ใน <c oughs> บทต่างๆบทย่อ ย, ย, อยต่างๆนะเช่นอ่า เหลวซ้ายแรงขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขนดื่มกินพูดคิดทรงจีวรสังฆาติอุจจารปั ส, สวะต่างๆเหล่านี้ให้เรามีความรู้สึกตัวในแต่ละขณะที่เกิดขึ้นอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เราสามารถรู้ไหมเนาะเช่นเราแปลงฟันนะเราแปลงฟันเราก็แปลงทุกวันอยู่แล้ววันราบางทีก็ไหลเวลาด้วย แต่เราตรงนั้นเราสังเกตไหมว่าการแปลงปันนั้น เ, เป็นความเคยชินหรือเป็นความรู้สึกตัวเนาะหรือว่าเราซักผ้าอ่าเราก็ทำวยความเคยชินหรือรู้สึกตัวเราทานอาหารทำด้ความเคยชิ น, นะนหรือรู้สึกตัวนะเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องอ่ากลับมารู้ความจริงคือเห็นข้อผิดของเราซะก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความเคยชินเนาะเป็นความเคยชินทั้งนั้นเลย แล้วเราจะรู้ว่าเมื่อเราผิดแล้วเราก็จะได้แก้ไขอย่างไรเพื่อให้มีความถูกต้องก็คือกลับมารู้สึกตัวนั่นเองกลับรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะเนาะเพราะฉนั้นคําสอนของพระเจ้าจึงไม่ได้สอนไกลนะให้เรารู้จักเนี่ยกายและใจเราเท่านั้นเองกายเราทำอะไรเมื่อก่อนเราทําด้วยความเคยชินเรารู้สึกตัวได้ไหมนะเพราะความเคยชินนั่นแหละเป็นความหลงแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่มีเจตนานในการทําเราทําด้วยความเคยชิน นะมันก็เราเดินนี่แหละเราจะเดินตลอดชีวิตเราด้วยความเคยชินนะเดินไปก็ไม่รู้กำลังเดินกคนน็คิดไปนู่นคิดไปนี่ไม่รู้ขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่นี่แหละคือความหลงนะตรงนี้ก็เลยว่าพออ <c oughs> ระพุทธเจ้าเลยให้เปลี่ยนจากความหลงมาเป็นความรู้แทน <c oughs> กลับมารู้แต่ละขณะแต่ละขณะของเรานี่แหละว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่การรู้นั่นรู้ตรงไหนนะรู้ในขณะปัจจุบันนั่นเองนะ เช่นขณะนี้เรานั่งเรารู้ไม่ว่าเรานั่งนะบางคนเออพยักหน้ารู้แต่ถ้าก่อนที่เราจะถามนี่เรารู้ไม่ว่าเรานั่งนะเราจะไม่รู้เรากําลังนั่งอยู่แต่พอถามปุ๊บเราจะเริ่มรู้ว่าขณะที่เรานั่งเห็นไหมเนี่ยมันเป็นความหลงไปแล้วนะแค่เรารู้ว่าเรานั่งนี่ก็คือเราเอาเข้าใจเราได้ไปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าบอกแล้วก็คือนั่งรู้นั่งใช่หไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในนี้เราไม่ต้องมาคิดว่าเออขนานี้เรากําลังนั่ง ไม่ต้องคิดขณะนี้กำลังนั่งแต่ว่าเรารู้เท่าไหร่นี่ว่าขณะนี้เรากําลังนั่งมันจึงเป็นจากความคิดมาเป็นความรู้นะวิธีการลงประเทียนก็คือให้เราออกจากความคิดนั่นเองเราแค่รู้ขท่านั้นเรากําลังนั่งนี่แหละคือปัจจุบันธรรมนะมันไม่ต้องอใส่ความคิดแต่อาศัยความรู้หรือบางท่านอาจจะงนั่งพลิกมือไปพลิกมือมาหรือยกมือสิบสี่จังหวะก็แล้วแต่เนาะ อันนี้เราสังเกตไหมว่าเราต้องคิดว่าขณะนี้กําลังยกมือขณะนี้กำลังต้องพลิกกําลังพลิกมืออันนี้เราก็ไม่ต้องคิดนะเราก็ใส่ความรู้เท่านั้นเองอขณะนี้กาลังทําอะไรอยู่พลิกมือยกมือเราแค่รู้ไปเฉยๆเท่านั้นเองนะไม่ได้ไปคิดอะไรเลยนี่แหละคือปรรัจจุบันทำแต่ถ้าเราเมื่อวานนี้เราทานข้าวกับอะไรเนาะเราต้องไปคิดนะเมื่อวานทานข้าวกับอะไรเนี่ยต้องใส่ความคิด เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วและสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันก็อยู่แค่ในความคิดหรือในความจำเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะลื้อฟื้นกับไมค์ครั้งเราต้องอาศัยความคิดเอาไปดึงเขากลับมานะหรือว่าพุ่งนี้เราจะทําอะไรเย็นนี้เราจะทําอะไรนะเราก็ต้องอาศัยความคิดทั้งนั้นนะอาศัยความคิดนะไปอไปปรุงแต่งในสิ่งต่างเหล่านั้นในอนาคตการใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคตก็ตามเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความคิดแต่ปัจจุบันไม่ต้องอาศัยความคิดเป็นแค่ตัวรู้เฉยๆนะเพราะนั้นการเริ่มมาปฏิบัติธรรมก็คือเราอยู่กับปัจจุบันนั่นเองเราก็อาศัยการรู้เฉยๆนี่แหละ <c oughs> และการรู้เฉยนั้นก็มีใจเข้าไปรับรู้ด้วยเช่นเรานั่งใช่ไเราไม่รับรู้การนั่งอันนี้ก็เราก็จะไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นปัจจุบันหรือว่าไม่รู้สึกตัว แต่ว่าขณะนี้เราเรานั่งเฉยๆนะ่เราไม่ได้อาศัยการเคลื่อนไหวแต่เรารู้ว่าขณะนี้เรานั่งนี่แหละคือปัจจุบันธรรมและเป็นความรู้สึกตัวหรือขณะนี้เรากําลังยกมือนะแต่ในขณะที่เรายกมือนั้นเราใจลอยเอ่ใจลอยคิดไปนู่นคิดไปนี่เราก็จะไม่รู้ว่าเรากำลังยกมือนั่นแหละคือความหลงนะแต่ว่าขณะนี้เรามีการรับรู้ว่าเอขณะนี้เรากาลังยกมือเกิดขึ้นนะนี่แหละคือปัจจุบันธรรมและเป็นความรู้สึกตัว นะเพราะฉนั้น <c oughs> ปัจจุบันทำและความรู้สึกตัวคือตัวเดียวกันก็คือกายเคลื่อนไหวใจรับรู้นั่นเองนะแต่ถ้ากายเคลื่อนไหวใจไม่รับรู้ก็จะไม่อยู่กับปัจจุบันก็เข้าไปอยู่ในอดีตหรือนาคดนะเช่นเราคิดไปแวบหนึ่งคิดไปถึงบ้านนั่นเราเข้าไปในอดีตแล้วหรือเข้าสู่นาคตแล้วแต่เมื่อเรารู้ว่าขณะนี้กังคิดไปแล้วนะนี่คือปัจจุบันแล้วนะก็คือดึงอดีตอ น, นาคตกลับมาอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนี่ก็คือความรู้สึกตัวเนาะ เพราะนั้นความรู้สึกตัวก็คือกายเคลื่อนไหวใจรับรู้แล้วก็อยู่ในปัจจบันธรรมนั่นเองโดยไม่ต้องใส่ความคิดแต่ศัยแค่ตัวรู้เฉยๆเนี่ยนะต่อมาเราเราก็รู้ในสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันของเรานะกายเคลื่อนไหวใจรับรู้ไปเรื่อยๆอาศัยตรงนี้มาเป็นเครื่องอยู่ของของกายนะเพื่อที่จะเห็นบางอย่างที่เกิดขึ้นต่อมานะก็คือเวทนาเนาะ เวทนาเป็นสิ่งที่ว่าเราสามารถสังเกตได้ไหมว่าเขาก็มีความเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะเวทนาก็คือสุขเวทนานะหรือความชอบใจความพอใจต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นทุกขเวทนานะก็คือความไม่พอใจความทุกข์ความที่ไม่ชอบใจความที่เรามีความโกรธต่างๆเป็นอารมณ์ในทางลบเกิดขึ้นนะแล้วก็ความที่เรารู้เฉยๆก็คืออุทุกขมาสุขเวทนา คือความเป็นกลางเกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะนะอันนี้มันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราสังเกตได้ไหมนะตอนนี้บางทีอาจจะรู้สึกว่ามันเออมันหิวหิวนะนี่ก็คือทุกเวทนาแล้วนะหรือรู้สึกเออตอนนี้มันสบายดีอากาศกําลังดีมีความสุขก็นี่ก็คือสุขเวทนาแล้วหรือว่าเราก็รู้สึกมันเฉยเฉยไม่ไม่ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอันนี้ก็เป็นความเป็นกลางแล้วนะคือสิ่งเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลา อยู่แล้วนะเราก็มาสังเกตเขาเท่านั้นเอง <c oughs> แล้วเมื่อสังเกตรเราเข้าแล้วเนะี่ยพู้เจ้าบอกว่าให้รู้ว่าอา่มันเป็นสิ่งที่ว่าไม่ใช่ตัวไมต่ตนเป็นไม่ใช่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะก็คือเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะความสุขความทุกข์ต่างๆเราบังคับก็ไม่ได้เราเขาเกิดก็เกิดเขาดับก็ดับนะเราบังคับก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราเราก็มีหน้าที่รู้ตามความจริงแล้วก็ผ่านไปนะไม่ได้ไปให้ค่ากับสิ่งที่เป็นความสุขหรือความทุกข์ใดๆก็แล้วแต่เนาะ ต่อมาก็เข้าสู่จิตตานุปัสสนสติปัฏฐานนะก็คือเมื่อเราสังเกตกายสังเกตใจได้แล้วเราก็จะเริ่มมองเห็นจิตนะอย่างที่หลวมพ่อคเขียบอกว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมนะพอเราสังเกตกายได้เราก็จะเริ่มมองเห็นจิตใจของเรานะจิตใจเรานี่จริงๆมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะแต่ว่าเราสังเกตเขาทันไหมนะคราวนี้ถ้าเราเอาหลักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ก็คือว่ามีราคะก็รู้ว่ามีราคะมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะ ไม่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะก็คือจิตมีอาการเช่นใดก็ให้รู้ไปตามความจริงเช่นนั้นนะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเออมีราคะก็ให้ไปละราคะมีโทสะให้ไปละโทสะมีโมหะก็รู้ว่าให้ไปละโมหะแต่ว่าให้รู้ตามความจริงว่าขณะนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นมาในใจเรานะเพราะจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือความทุกข์ทั้งนั้นนะ พระพุทธเจ้าก็บอกมาในอริยสัจสี่บอกว่าทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เราควรกําหนดรู้ก็คือเรารู้ในความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราเช่นราคะโทสะโมหะเป็นต้นนะคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วทําอย่างไรต่อรู้เราก็รู้แล้วก็คือเรารู้เฉยๆนะมันก็จะมาตรงกับที่พระพุทธเจ้าก็บอกว่ารู้ไม่ได้บอกว่าต้องไปทาอะไรต่อหรือว่าหลวงพ่เทียงบอกว่ารู้เฉยๆนั่นเองนะ ก็คือเมื่อเราเห็นความจริงในสิ่งต่างเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรารู้เฉยนะแล้ว เ, เขาก็จะแดงความจริงว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะตรงนี้เราเป็นสิ่งที่ว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เรามีหน้าที่รู้เท่านั้นเองน ะ, ะการที่เรารู้นั่นน่ะเกิดจากการที่เราเจอสติบ่อยๆเราก็จะเห็นความคิดต่างๆเกิดขึ้นนะความคิดนี่แหละก็คือเรื่องจิตนะมันครั้นี้มาสู่เรื่องจิตแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆมันละเอียดมากแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงทั้งวัน มันเร็วยิ่งกว่ากายยิ่งกว่ากายอย่นะมันจะเปลี่ยนแปลงทุกวันเราสังเกตได้ไหมวันๆหนึ่งเรามีความคิดกี่ครั้งเนาะบางที่เราเดินจงกรมนี่นะเราก็เห็นเออกายมันก็เดินอยู่นะคือเมื่อเราไปบัตรแล้วเราจะเห็นว่ากายมันเดินก็คือจริงๆมันก็เป็นกายนั่นแหละมันไม่ตัวเราหรอกเป็นอาการที่มันเดินอยู่นะพอเราเดินปุ๊บเราสังเกตกายเดินในขณะเดียวกันเราก็มีความคิดเกิดขึ้นแวบนึ่งเราก็สังเกตเรือมีความคิดเกิดขึ้นแล้ว เราจะก็จะเห็นมันแยกกันนะนี่มันกายมันก็เดินอยู่ใจมันก็คิดไปแล้วก็เป็นผู้ดูไปเราเห็นความคิดมันเกิดขึ้น <c oughs> แต่พอเราไม่ค่าเกิดอะไรขึ้นมันก็ดับไปนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปตามคิดต่อเราก็ไม่ได้ไปช่วยเขาคิดนะแต่วรู้เรารู้กายนี่แหละเขาก็ดับไปเพราะว่าเขาตั้งอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าจิตเรานะมันจะเกิดดับได้ขณะเดียวเมื่อเรากลับมารู้กายแล้วจิตมันก็จะดับไปจากความคิดเหล่านั้น กนะ็เรียกว่าจิตมันเปลี่ย น, นเปลี่ยนจากความหลงเป็นความรู้นั่นเองนะเพราะการเราคิดมันก็เป็นความหลงเมืแ่อบบเรากลับเป็นความรู้แล้วเขาก็จะดับไปนะเขาก็จะแสดงอาการอย่างนี้บ่อยๆใช่ไหมเพรา ะ, ะนั่นความคิดนี่เป็นเรื่องที่ธรรมดามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันผิดปกติเลยนะเขาเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปนะความคิดก็มี2 อ, อย่างก็คือความตั้งใจคิดอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็คิดอย่างมีสตินั่นแหละแต่ความที่เราไม่ตั้งใจคิดเขาก็จะคิดของเขาเยอะยะเลยวันๆหนึ่งเขาก็คิดของเขาทั้งวัน นั้นก็เป็นเรื่องแสดงถึงอาการอย่างหนึ่งว่าจิตเขาทํางานเองไม่ใช่ตัวไม่ตนบุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่ว่าเราอยากจะคิดนะมันก็คิดกันเขาเองนั่นแหละเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าใ น, นที่ข้างหน้าเขาจะคิดอะไระเพียงแต่ว่าเขาคิดแล้วเนี่ยเราสังเกตได้ไหมว่าอันนั้นแหละเขาทํางานเองแล้วเราก็ไม่ไปให้ค่าแล้วก็กลับมาตรงเนี้มันก็จะง่ายขึ้นนะตรงนี้นะถ้าเราเข้าใจในเรื่องความคิดต่างๆเราก็จะเห็นนะเมื่อก่อนนี้เราเป็นผู้คิดนะ เราก็คิดเราคิดไปถึงบ้านอตอนนี้บ้านเราพี่น้องอยู่เป็นอย่างไรเพื่อนอยู่เป็นอย่างไรอันนี้เราเข้าไปในความคิดแล้วนะแต่เมื่อเราเราสังเกตได้บ่อยๆคือเขากลับมาสู่ความรู้สึกตัวได้บ่ <psic techniques> อยๆเขาคิดปั๊บกลับม า, ามรู้สึกตัวเนี่ยเราจะเห็นความคิดเขาดับไปตรงนี้เราจะกลายเป็นผู้เห็นความคิดนะเป็นผู้เห็นคือการเป็นผู้คิดกับผู้เป็นผู้เห็นความคิดมันจะต่างกันคือเราเป็นผู้คิดมันก็จะคิดยาว แต่พอเราเห็นความคิดมันก็จะดับไปได้เร็วขึ้นเขาจะตั้งอยู่ไม่นานนะเมื่อเราเห็นความเกิดดับความคิดบ่อยๆนี่แหละอันนี้เราก็จะเปลี่ยนไปเป็นผู้เห็นผู้ดูจิตก็จะค่อยๆตื่นขึ้นมานะการที่เราเห็นความคิดเนี่ยทำให้จิตตื่นได้นะยิ่งเราเห็นบ่อยแล้วเขามีแสดงความเกิดดับบ่อยก็คือเราสังเกตปุ๊บเขาก็ดับไปหรือไม่ดับก็แล้วแต่นะเราแค่เห็นความคิดก็ใช้ได้แล้วจิตก็จะตื่นขึ้นมาเรื่อยๆนะบางทีสมัยก่อนเราคิด10ครั้งเราจะรู้แค่1หรือ2อครั้งเท่านั้น แต่เมื่อจิตเรามีกําลังแล้วเขาคิด10ครั้งจะเห็นถึง8หรือ9ครั้งนี่มันก็มีกําลังเพิ่มมากขึ้นเราเรียกว่าเปลี่ยนเป็นผู้เห็นเปลี่ยนจากเป็นผู้เป็ดมาเป็นผู้ดูแล้วนะก็คือเราจะเห็นความคิดทํางานบ่อยๆนั่นแหละคราวนี้พอเราเห็นแล้วเนี่ยอนุภาพของการที่เราเห็นความคิดนะเราเห็นว่าขณะนี้กาลังคิดนี่คือปฏิบัติธรรมแล้วในที่สุดเราก็จะไปเห็นอารมณ์ต่างๆได้ด้วยนะคือเมื่อก่อนเราก็เข้าไปอารมณ์มีคนก็มาด่าเรามาว่าเรามานินทาเราเราจะรู้สึก มันมีความโกรธนะแล้วมันทีโกรธเร็วด้วยโกรธไว้ด้วยแต่เมื่อตอนหลังเมื่อเราเห็นความคิดได้ rained, แล้วเราก็จะเห็นความโกรธได้นะการที่เราเป็นผู้โกรธกับเราเห็นความโกรธนัมันต่างกันกําลังของมันก็ต่างกันนะเราเป็นผู้โกรธนะมันก็จะเข้าไปในความโกรธอย่างรวดเร็วแล้วก็บรรทําอาการบางอย่างที่ตอบโต้ในกิริยานั้นๆนะแต่เมื่อเราเห็นความโกรธแล้วมันก็จะเบาลงเราจะเป็นแค่ผู้สังเกตเป็นผู้ดูผู้เห็นเท่านั้นเอง นะอย่างที่หลวงพ่อคำเคืองบอกว่าให้เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะเห็นไม่เป็นนี่แหละตรงเนี้มันเข้าสู่ตรงนี้ได้เลยเราจะเห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็เมื่อก่อนเราจะให้ค่าก็เยอะก็คือเราโกรธเราลากเราชางังเราเกลียดเราอิจฉาริษยาต่างๆเนาะแต่ตอนหลังเราก็เห็นเออเห็นความโกรธเห็นความลากักความชางังความมิจฉาลิษยาเราก็กลายเป็นผู้ดูไปนะซึ่งเขาก็มีอยู่เขาก็ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเราเรากลายเป็นผู้ดูไปแล้วเขาก็เบาลง เขาก็ไม่มีอิทพลเหนือใจเราเขาก็ดับไปอย่างรวดเร็ว น, นี่คือในอานิสงส์แห่งการมาเจริสตินั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเราสามารถที่จะเห็นตรงนี้ได้บ่อยๆนะคือหลวงพ่อเทียนบอกว่ายิ่งยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการหลวงพ่อเทียนจึงไม่ได้ว่าต้องทําให้จิตสงบแต่อย่างใดแต่ว่าเขาจะสงบเองก็ไม่ใช่เป็นความผิดนะเราก็อยู่กับตรงนั้นได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็จับประเด็นได้ไม่ว่าให้เราตื่นรู้นะ ตื่นรู้กายตื่นรู้ใจนะเมื่อเราตื่นรู้กายรู้อาการยืนเดินนั่งนอนต่างๆหรือว่าการเคลื่อนไหวมันก็จะตื่นตื่นรู้ใจได้ว่าขณะนี้เรามีความคิดเกิดขึ้นแล้วนะเราจะเห็นเข้าไปบ่อยๆนะเพราะฉนั้นยิ่งหลวงพ่อทิยังบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้ก็คือเราเห็นความคิดได้บ่อยๆนะมีความคิดอนะไรหลายครั้งก็ไม่เป็นไรเราก็ดูรู้บ่อยๆจิตก็จะตื่นมาเรื่อยๆนะ แต่ในขณะที่เราไปบัตรใหม่ๆเราก็อย่าไปตั้งใจไปดูความคิดหรือว่าต้องไปดูอะไรล้วก็รู้กายเป็นเป็นฐานไปก่อนนะเราเราจะสังเกตเรานี้ได้เหมือนกันนะจะสังเกตไปเองโดยที่ว่าจิตเราจะค่อยๆสังเกตกายและใจได้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปคอยเพ่งดูนะสำคัญอย่าไปเพ่งดูหรือว่าไปเพ่งในทางกายหรือทางใจเราแค่รู้ไปตามความเป็นจริงรู้กายรุ้ ใจตามความเป็จริงแล้วเขาก็จะแสดงอาการบางอย่างเกิดขึ้นมาใหเราเห็นก็คือทรมานุปสัสสนาสติปัฏฐานก็คือกายเวทนาจิตธรรมก็เข้าสู่ขอ้ขอธรรมข้อธรรมนี้ก็คือให้เห็นสภาวะอาของธรรมทุกอย่างนะสภาวะธรรมทุกอย่างทั้งกายและใจเป็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมีสภาวะที่ไม่คงตัวมีสภาวะหความไม่เที่ยงเป็นทุกข์คืออ ย, อยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้แล้วก็เป็นนาตาคือ ไม่ตัวไม่ตนบุคคลตัวตนเราเขาบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยตรงนี้เราก็จะเห็นตามความเป็นจริงคือเราก็จะเห็นกายตามความเป็นจริงว่าเนี่ยประเดี๋ยวเขานั่งแล้วนะเขาก็ปวดก็เมื่อยนะนี่แหละคือความทุกข์อย่างหนึ่งนะมันเป็นความทุกข์ที่ว่าเราจะทรงในภาวะเดิมไม่ได้แเราก็เปลี่ยนมาเป็นเดินมะเป็นเป็นเป็นเดินเนี่ยเราต้องรู้ว่าตรงนี้นะไม่ใช่เราเปลี่ยนตามใจชอบนะแต่ว่าหลวงมาหลวงคำเขียนบอกให้รู้ก่อนเออ จะนั่งเนี่ยจะลุกขึ้นไปเดินเนี่ยให้รู้นะให้รู้ก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีดกลุกขึ้นไปเดินอันนี้เราเราเปลี่ยนด้วยความหลงแล้วน ะ, ะเรารู้ไหมว่าขณะนี้เราจะลุกขึ้นไปเดินนะเราอยากไปเดินนะและการเดินนี่แหละจริงๆมันไม่เดินเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์เท่านั้นเองเนาะเรานั่งกัเหมือนกันนะเราก็นั่งไม่ใช่ว่าเราอยากจะนั่งก็ไปนั่งปฏิบัติก็ให้รู้ว่าเออขณะนี้เราก็อยากจะมีความไปนั่งแล้วนะอันนี้หลวงพ่อคําเขียนบอกอย่างนะ แล้วก็จริงๆเราก็เห็นว่าเออตรงนี้มันคือการแก้ทุกอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นการปฏิธรรมนี้มันจริงมันส่วนนึงก็คือความแก้ทุกนั่นเองนะในตรงเนี้เราสามารถที่จะเห็นความจริงในตรงนี้ได้ไหมว่าเออความคิดเนี่ยเขาเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเพราะตรงนี้ถ้าเราเห็นความจริงในตรงนี้ว่าเออความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปบ่อยๆนะเราจะเห็นว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขามาแล้วก็ไปนะอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันนะความรักความโลภความโกรธความหลง ต่างๆเข้ามาแล้วก็ไปมันไม่ตัวไม่ตนแต่อย่างใดถ้าเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วความรักที่เราปรารถนา mm hmm. ก็ต้องอยู่ในใจเราตลอดการใช่ไหมหรือความโกรธความเกลียดที่เราไม่ชอบใจก็ต้องไม่อยู่ในใจเราแต่ทําไมเขาอยู่ในใจเราได้บ่อยๆเข้ามาเยือน บ, บ่อยๆนะแม้แต่ความโกรธในอดีตก็ยังมาเยือนเรา บ, บ่อยๆเราก็ไม่อยากเข้ามาเขาก็มาใช่ไหมตรงเนี้มันก็เป็นสิ่งที่ว่าเราบังคับบัญชาเข้าไม่ได้นะเขาก็มาตามเหตุตามปัจจัย เท่านั้นเองนะแล้วในสุดเข้าก็ไปตามเหตุตามปัจจัยเราไปบังคับบัญชาเขาไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วเราก็ไม่ให้ค่ากับเขาเหมือนกับแขกที่มาเยือนนะแขกมาเยือนถ้าไปเลี้ยงดูปูเสือเขาดีก็จะมาบ่อยๆก็คือเราไปให้ค่าเขานะหรือเราไปผักใส่เขาแขกมาเยือนแล้วก็ไปไล่เ่าหนีเขาก็โกรธเขาก็มาบ่อยๆนะเพราะเราเมื่อเราไปผักใส่อรมต่างๆโดยการไม่รู้เฉยแล้วก็มีความโกรธเกิดก็พยายามไปผักใสเขามีความคิดเกิดขึ้นก็พยายามไปปักผักใส่เขานั่นแหละ เขาก็จะมีแสดงอาการบางอย่างเป็นเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ตขึ้นมาให้เรามีความรู้สึกเหล่านั้นบ่อยๆนะเรายิ่งเออเราเกลียดอะไรนะไม่อยากจะเจอเออทาไมเจอบ่อยๆนะเพราะว่าเขาก็มาบ่อยๆในความคิดเหล่านั้นเองเนาะนี่แหละเพราะเราเร า, เราจะเห็นในสิ่งเหล่านี้เราบังคับก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะเขาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยสภาวะธรรมเขาเองแล้วก็ไม่ให้ค่าในสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องไปขับไล่เขาแล้วก็ไม่ได้ไปต้อนรับเขาเข้ามาแล้วเขาไปเป็นตามไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่ตัวไม่ตนของเราเป็นของเขาเองน ะ, ะเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้การบัรธรรมเราก็ง่ายขึ้นการบัรธรรมเพื่ออะไรก็เพื่อหเห็นความจริงในพระไตรลักษณ์นั่นเองให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอัตตาเราเห็นไหมนะบางวันนะเมืม่อเมื่อเช้าก็แล้วกันนะเมื่อเช้าเราไปบัตรธรรมรู้สึกมันมีสติมีความลุกตัวดีมากเลยเพอเป็นตอนบ่ายเอ๊ะทำไมความลูกตัวมันหายไปน้อยไปมีความคิดฟุ้งซ่านต่างๆมากมาย เราก็มีความทุกโอ้มันมันเสื่อมแล้วมันตกลงมาแล้วอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะนี่แหละเราเราก็รู้สึกว่าเราทําไม่ได้ผลดีแม้แต่บางคนไปบัตินานๆปีนะัก็รู้สึกเช่นนี้นะเป็นความเข้าใจผิดเราแล้วนั่นแหละเขาแสดงพัฒนารักแล้วว่าเราบังคับก็ไม่ได้เขาจึงไม่เที่ยงให้เราเห็นนะเรากลับมาเห็นว่าเขาไม่เที่ยงแล้วเรายอมรับเขามันง่ายกว่าทั้งเยอะอ่าเขาไม่ดีก็ไม่ดีก็ไม่เป็นไรนั่นคือแสดงพัฒนารักแล้วเราเห็นก็บ่อยๆนะเราเห็นสภาวะรมต่างๆเราเนี่ยความคิด อารมณ์ต่างๆบ่อยๆว่าระวังขับกันไม่ได้อีกก็จะเกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดแล้มัก็จะคลายไปคลายความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนนี่แหละเพราะว่าถ้าเราบังคับบัญชาเขาได้ตามเราต้องการตัวตนเราก็จะโตขึ้นนะแต่เราเห็นว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้ตัวตนเราก็จะเล็กลงเราก็จะเข้าใจาที่พระเจ้าบอกว่ามันไม่ตัวไม่ตนของเราเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเห็นตราบใด ตราบใดที่เราเห็นในตรงนี้อย่างชัดเจนว่าเขาไม่ในตัวไม่ตนของเราแล้วนะตรงนั้นความทุกข์ก็จะลดลงน้อยลงนะแล้วอาจจะหมดไปในที่สุดนะเพราะฉะนั้นการบิดธรรมนี่ก็คือตรงนี้ว่าความเริ่มต้นอย่างไรให้เรารู้จักทุกข์การสิ้นสุดของการบิดธรรมคืออย่างไรก็คือให้เราไปบัติเพื่อความคดุกนั่นเองและในประการสุดท้ายคือความทุนพ้นทุกข์นั่นก็คือการที่เราเห็นปไตยลักษณ์คือความเป็นอเน จ, จังคือความไม่เที่ยงทุกอย่างนะสังเกตได้ไหมว่ามันไม่เที่ยง ความทุกข์ก็คือมันทนในสภาวะเดิมไม่ได้ทุกๆอย่างและก็การระ่ังบังคับบัญชาก็ไม่ได้ในกายและใจทุกอย่างนะเมื่อเราสังเกตในตรงนี้ได้จิตก็จะเกิดการปล่อยการวางการมิยึติดก็การเห็นตามความเป็นจริงแหละเป็นเหตุแห่งความที่ว่าเราจะไม่ยึดติดและเมื่อเราไม่ยึดติดแล้วจิตก็จะคลายกำหนัดนะเมื่อจิตคลายกำหนัดเราก็จะถึงความหลุดพ้นถึงซึ่งพันิพาตในชาตินี้นะเพราะฉะนั้นก็โดยประกาศาสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระรไตราย มาน้อมนำให้ทุกท่านเจริญโดยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิน